ธรรมะชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าพระพาหิยะเกือบจะเดินทางผิดวันนี้เป็นวันที่6ก กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้เป็นวัน เ, เข้ามาเดือนถึงเดือนกุมภาและเย็นนี้หลวงพ่อขอคงจะได้ไปอุดรเพราะงานศพงานศพคนตายเหมือนกันนะหลวงพ่อนะบางทีก็จะออกไป <c oughs> ทางนู้นทางนี้ดูดูแล้วก็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 อยู่ใกล้รู้จักมักคุ้นะรู้จักมักคุ้นมาก่อนบางทีบางครั้งก็จำเป็นจำใจจะออกไปเพราะว่าบุญคุณก็เพราะบุญคุณคำนี้แหละที่พวกเราจะต้องลํำลึกถึงแต่หลวงพ่ออดคิดไม่ได้ลูกหลานคณะสัตยาติโยม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 อายุยืนสองห0ื่นปีที่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกะกุสันโธ โ, โกณะคัมโนกัจโปโณองค์ที่กัจโปเนี่ยกัจจปโณสิริสัมปันโนจากนั้นกัโคตโมศักยาปุงกโวจากนั้นกับพระอริยะเมเตโยแต่ยังไม่มาตรัสศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจปะอายุยืนสอง0 0ื่ปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้ เพราะเหตุไรเพราะคนอายุยืนสาวกงสาวก ง, งสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับทำคำสอนถึงสองมืปีเนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เพรานะนัทท่านจึงไม่ได้วางศาสนาไว้พระพุทธเจ้าของรออายุ80ปีพระโคตมะพระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาเอาไว้ถ้าหากว่าไม่วางศาสนาเอาไว้อายุ80สิปี คนที่ได้รับจากพระพุทธเจ้าก็80ปีอีกก็เป็นอันว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตรมั่ไม่ถึงร0อยส0ปีก็หมดเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้วางศาสนาว่าวางหลักพระธรรมวินยัยวางพระสูตรพระวินยัยพระสูตรพระประมัติ ไว้เป็นแนวทางเอาไว้วางหลักพระธรรมวินัยเอาไว้แต่ถึงยังไงพระองค์ก็บอกว่าอายุ 5,000 ปีศาสนาของเราแต่บัดี้มันป่าเข้ามาถึง 2,500 ัาากว่าปีแต่พตระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าหากว่ายังผู้มีปฏิบัติยังผู้มีผู้ปฏิบัตรรักษาในหลักธรรมวินัยอยู่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 ต่นนี้มาพิจารณาดูมาถึง 2,557 ปีปีนี้รู้สึกว่าพะพุทธศาสนาของพวกเราคนหนึ่งพูดที่หนึ่งคนหนึ่งว่าอย่างหนึ่งเห็นและขอโอเป็นเพราะเหตุนี้เองท่านพระพายะทารุจริยะในครั้งนั้นคือเห็นครั้งในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะนะ ชุดช่วยลวยแหลมออกมาแล้วก็ทะเลาะกันนะพอทะเลาะกันไม่รู้ว่าใครมีแต่แย่งไปทางลาบทางยศกันมากกว่าที่จะแย่งมรรคผลนิพพานนะหายากแย่งความถูกต้องข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลในธรรมข้าพอยู่ในรักในหลักการประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลภาวนาหาทางพ้นทุกขนะ์อันนี้มันไม่ทะเลาะใครใหรอกไอ้พวกที่ต้องการ ชื่เสียงบังต้องการลาบยศบังนี่แหละทะเลาะกันได้ทีท่านพระพายยะกับหมู่พวกเพื่อนด้วยกันสมัครพักพวกกันเจ็ดองค์แหมคล้ายๆเขาอะให้เป็นหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเออถ้าหากว่าพวกเราอยู่เน็มกมกระตายฟรีเนี่ยจะยศแย่งไปทําไมเรื่องลาบเรื่องยศได้ไปละเพื่ออะไรมันได้อะไรขนขนเข้าหากัน เราบวชเข้ามาเพื่อหามรักขาผลเราควรจะไปหามรักขาผลดีกว่าไปไปหาภาวนาตายเสียสละชีวิตเพื่อหามรักผลดีกว่าใครบ้างสมัครใจไปก็เลยได้ได้เจ็ดองหตรงพ่อมาพิจารณาลงเจ็ดองคน่ก็คงจัอจิตใจคงเด็ดเดี่ยวอาจฐานแค่ว่า ยอมตายเลยแล้วมันเอาสมัครไปด้วยกันเจ็ดองอพอเจ็ดไปแล้วก็เข้าไปในป่าดงพงไพ่ไปเรื่อยนะไปก็ไปเห็นภูเขาแบบที่ว่านะ่ยแบบจังหวัดพังงานะ่ยเราพวกเราไปเห็นจังหวัดพังงาในนทะเลเราคงจะเห็นที่เป็นหน้าผาสูงสูงเป็นแท่งนะเนี่ยพระทั้งเจ็ดองเรคงจะคงจะเป็นช่างมา ก, ก่อนนะ คงจะมีมีวิชาช่างอยู่หนะลวงพ่อวานะอย่างน้อยก็ขึ้นเอาลังนกนางแอ่นเนะี <c> ่อ <oughs> ที่สามารถที่จะทำบันไดขึ้นบนภูเขาไดนะ้ถ้าคนไม่ถ้านคนไม่ใช่ช่างเราคงทำไม่ได้อย่างนลพ่อเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่ท่านต้องเก่งไนะท่านเจดองท่านก็นตัดไม้ไผ่ไม้แห้งนะออพอตัดไม้แห้งมาท่านก็คาด เอาเชือกคาดเป็นสะโากคาดคาดคาดเป็นบันไดขึ้นไปอ่าขึ้นไปบนภูเขาสูงๆนะพอขึ้นไปถึงยอดภูเขาแล้วก็ตักต่างองค์ต่างขึ้นไปขึ้นไปถึงยอดภูเขาทั้งเจ็ดองค์อยู่บนยอดภูเขาบันไดต่า ย, า ย, า ย, ายค่อยๆไต่บันไดขึ้นไปพอขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ถามกันเลยองค์ไหนจะลง องไหนจะลงลงถ้าถ้าองไหนกลัวตายนะลงนะลงนะไปลงไปองไหนนั่นอนะ่ะถ้าองไหนสมัครใจอยู่อา้อาวอยู่บนยอดเขานี้ภาวนาลูกเดียวตายนะ อ, องคไหนจะลงไม่มีใครลงเจ็ดองเพราะสมัครใจเป็นทหารกล้ า, เ, าเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะนะเป็นทหารกล้าอา้าว แต่ไม่ใช่ทหารเพื่อฆ่าคนนะทหารฆ่ากิเลสไงจากฆ่ากิเลสในใจอนไะงสมัครใญจอ้าวไม่มีใครลงไม่มีใครลงเหรอไม่มีใครลงหาไม้มากระผักบันไดลงคล่ำลงบันไดฮอนะพอบันไดคล่ำลงแล้วเกิดอ้าวเลือกเอาใครจะอยู่จุดไหนฮเลือกภาวนาอพนิสูดหลังเขาแล้วกิหาที่นั่งใครที่นั่งเราอะไรแนี้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 ในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะปาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมากันนำมาปฏิบัติตสมระเข้ายัางไงวิปัสสนาดเดินยังไผงผัวนีสุดคืนนะนะั่นคืนแรกองค์หนึ่งได้สำเร็จเป็นพระรหันธ์ได้สำเร็จนะพอได้สำเร็จเป็นพระรหันธ์ท่านก็เหาได้แตเหาแสดงฤทธิตได้เหาไปหาบินไปบินธบาทิพอบินธบัตมากับมา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 ใช่เด็กพูดกันอย่างนั้นเออเอาถ้าอย่างนั้นท่านนิมนต์ถ้าท่านไปได้ท่านไปเลยไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราจะสู้ต่อไปยังเหลืออยู่หกององนั้นก็เออเอาพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกเราได้ศึกษามาแล้วในถูกต้องแล้วผมผมผมไปได้แล้วสำเร็จแล้วจบแล้วผมให้บวกพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเอาสู้ต่อไป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 ผมไปแล้วนะองค์นี้เกิไปหายแป๊ บ, บอีกเหมือนกันยังเหลืออยู่ห้าองค์เลยห้าองค์เนี่ยภาวนาอย่างไงก็ไม่สําเร็จเออพอมันไม่ได้กินข้าวเขาก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้กินจะอยู่นานเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะงค์ก็ไม่ถึงสองอาทิตย์นะ่ะอยู่ในยอดหลังเขาอีกต่างหาจากนั้นทันทั้งห้าองค์ก็เลยเมรณะภาพอยู่ที่บนยอดเขาเอ่า พอยอดเขาจากนั้นก็ต่างองค์ก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมอะตเนีพราะท่านมุ่งมั่นที่จะชำระกิเลสเออพอไปอยู่สวรรค์เออแล้วก็ลงมานะ่พระพาหิยะยน็นมาเกิดเออพอมาเกิดแล้วก็ไปค้าในสะเภาสะเภาแตกนะมาอยู่ในฝั่งแม่น้ำฝั่งทะเลนะเออจากนั้นก็ได้ทําตัวเป็น ผู้วิเศษขึ้นมาจนพรมพรมที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นพระอนาคามีอยู่ชั้นพรมอมองเห็นโอ้พายยะเนี่ยทําตัวผิดทางนั่นสาคัญผิดอะตัวเองว่าเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจำเร็จเป็นพระอรหันต์เขว่าเป็นพระอรหันต์ตามเขาว่ามันไม่ได้นี่เดี๋ยวจะไปนรกน่ะเนี่ยพระพายยะในนั้น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 ให้เรียบร้อยจากนั้นก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยจนถึงเดินทั้งวันทั้งคืนทะลุถึงวัดกรุงสาวัตถีได้กลับได้เข้าไปถึงวัดป่าเชิตะวันได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่กลางถนนกรุงสาวัตถีจากนั้นก็ได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเรื่องทั้งหลายเกิดจากเหตุต้องดูที่เหตุดับที่เหตุ เ, เพราะว่าผลมันมาจากเหตุ มันมีเหตุอยู่ที่ใดผลมันมาจากท่า น, นท่านต้องดูที่เหตุดับที่เหตุพอพระพายยะได้ฟังเพียงแค่นั้นนะได้สำเร็จเป็นพระหันนะ์พอะเหตุใดก็เพราะท่านไปภาวนาอยู่บนยอดเขาจนพอแรงแล้วงั้นเหอพิจารณาได้ภาวนาอยูอ่ยนบนยอดเขาเนะี่ยเพียงแต่บางหน่อยเดียว ท, ที่ท่านจะได้สำเร็จเนะี่ยจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหัน ในการฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในกลางถนนเพียงสาบาทพระคาถานี่นี่แหละมาพิจารณาดูแล้วเนี่ย ก, การปั่นป่วนหรือว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสจปะมาถึงาศาสนาพระโคตมะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังใครก่อนนี่ละพุทธวจนะนี่แหะพระธรรมคําสอนทั้งที่เราก็เกิดมาทีหลังด้วยกันทุกคน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 หลวงพ่ออินเนี่ยเกิดมาในครั้งพุทศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะตะขานนท์ยังไม่ตายกระทั่ง 2,557 ปีเนี่ยเฮ้ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะลูกหลานนะสัทธญญายาโญนะท่านพูดอย่างนี้ภาษาลิบุตรท่านพูดอย่างนี้พระโมกขาราท่านตรัสอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้พระอนนท์ท่านว่ายอย่างนี้เออหลวงพ่อก็จะพูดว่างี้อันนี้คือภาษาวกพูด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 จิต ใ, ใจของเราอยู่ในสมาธิสมาธินี่หัวใจของเราในแน่นปึง เ, เข้าเวลาไหนก็ได้เข้าสมาธิพอกําหนดเท่านั้นะจิตใจของเราเข้าสมาธิแล้วอยู่ในสมาธิได้แล้วจากนั้นเราก็คิดว่ามันจะเดินเกิดปัญญาอย่าไปหวังนะคันผู้ใดก็าตามภาวนาจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะเดินจะเกิดเป็นปัญญาเนะี่ยอย่าหวังเลยนะเพชศรอเอรเซ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 แนวปฏิปทาและแนวความคิดของหลวงตาที่ท่านได้ผ่านสมาธิปัญญามาแล้วนะมาพูดให้พวกเราฟังแต่นี้นุ่นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราตั้งสองพันกว่าปีเราจะไปยืนยันหัวเด็ดตีนขาดได้ยังไงมันก็ต้องฟังฟังไว้นะ่ะนะตีนะลูกหลานนะทุกคนนะฟังเอาไว้ศึกษาฟังให้ฟัง อย่าเป็นหมวปักหมวปัมทีเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังหลักเหตุผลฟังหลายเรื่องหลายราววิเคราะห์ประเมิน เ, เข้าหากันใช้สติใช้ปัญญาให้หากันแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีจริงศีล ส, สมาธิปัญญานะแต่ใครจะหยิบยกเอาจุดไหนมาอธิบายมาพูดเท่านั้นเองนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิด อย่างหนึ่งกับพวกเราท่านทั้งหลายเอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร